ลแล้วเราก็มาสู่ช่วงวรายการเคสัดดีวันนี้เป็นเคสสี่888แลกรู้จักวัดพระธรรมกายครั้งแรกเรามีกรมิตรท่านหนึ่งมาญชวนสามีขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดเมื่อเดือนตุลาคม2546 โดยเขาบอกว่าที่สวนนาวาสัสวยสงบอรังเล่นบร ร, รยากาศเหมือนสวิตเซอร์แลนด์อุ้ยสวยกว่าใจ่สวิตเซาลวสามีก็เลยอยากไปไดยบอ่อยลูกลางงานแล้วก็ไปด้วยกันพอไปถึงก็เป็นอย่างที่เขาบอกเลยค่ะดอกไม้ทุกดอกเด่งบานต้อนรับทำป็นโลกสามีและทุกคนที่ได้ไปที่นั่นมีใจที่สดชื่นเบิกบาน แข่งกัะดอกไม้เลยเจ้าค่ะไปถึงวันแรกพอลูกเห็นลูกหลวงปู่ลูกก็สะดุดใจแล้วเคยเห็นลูกของท่านติดอยูบลล่บรถเมย์ลูกได้ดูประวัติของหลวงปู่และคุณยายทําให้เกิดศรัทธาคิดว่าทําไมเรามารู้จักวัดช้าจังเลยฉะนั้นตารงกับวันครบรอบ119ปีของหลวงปู่คืนก่อนที่จะถึงวันครบรอบ119ปีของหลวงปู่คณาสามีลูกนั่งสมาธิอยู่ในห้องปฏิบัติธรรม บนพนาวัดนั้นเขารู้สึกเหมือนตัวลอยเขาจึงขอตัวบอกว่าจะไปนั่งสมาธิต่อที่ห้องพักขณะเดินออกจากห้องปฏิบัติธรรมเขาก็แหงนขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นหลวงปู่นั่งอยู่บนก้อนเมฆ<า>แล้วก็มีคนเห็นเหมือนกับที่เขาเห็นอีกหลายคนเป็นพยายนว่าดวงตามีปุณ จากนั้นมาลูกและสามีก็ได้มาวัดอย่างสม่ำเสมอลูกกราบขอามเมตตาครูใหญ่ฝันในฝันเรื่องของลูกด้วยเจ้าค่ะเตียของลูกเกิดที่เมืองจีนเมื่ออายุได้สิบขวบได้อพยพติดตามพ่อแม่มาเมืองไทยอาศัยอยู่ที่คลองศาลไม่ใช่คลองสามนะจ๊ะนอนหนูพออายุได้ยี่สบห้ปีเตียก็แต่งงานกับแม่จึงมีอายุยี่สิบปี แม่ะเป็นคนจีนเกิดในเมืองไทยตั้งแต่เด็กๆแม่ต้องมาอยู่กับพี่สาวคนโตเพื่อช่วยเลี้ยงลูกของพี่สาวและช่วยขายของอยู่ที่คลองศาลกล้กับตีเตียอยู่และแม่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยและจากแต่งงานกับเตียแล้วแม่ก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของเตียซึ่งแม่คิดว่าน่าจะสบายกว่าอยู่กับพี่สาวแต่ก็คาดผิดแม่ต้องทํางานหนักกว่าเดิมทําทุกอย่างในบ้าน แถมถูกรังเกียจเหยียดหยามจากญาติพี่น้องของตี๋ยจนแม่รู้สึกกดดันมากเมื่อคลอดลูกคนแรกออกมาคือตัวลูกได้ประมาณสองสามเดือนเตียกับแม่ก็ถูกคุณย่าคือแม่ของเตี๋ยไล่ออกจากบ้านด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ไม่ทราบค่ะเตี๋ยจึงพาแม่และตัวลูกนั่ ง, งรถไฟมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโ ข, ขทยัยเพราะเตียมีหน้าสาวและหน้าเขย ซึ่งออุจจบมาจากเมืองจีนพร้อมกันได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ทำอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อพืชไร่แล้วก็นาไปขายต่อที่กรุงเทพมีฐานะร่ำรวยเตียมมาอยู่กันหน้าสาวแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรตอนทำงานแบกหามกระสอบปานที่ใส่พืชไรให้เขาอยู่เหมือนคนงานตติโ <No. S 1> กอดทนทำทุกอย่าง <No. S 1> เพื่อครอบครัวของเรา เหนื่อยจ้ะแต่มีความสุขนะเป็นเตียนี่เหนื่อยนะนี่ดูสิหามแบกกระสอบป่านเอ้กระสอบป่านก็เบาเนี่ยต <sh> ่อมาเตียก็เกิดไอขึ้นมาเกิดไอเดียว่าปีสามเราก็ขายกระสอบป่านอยู่ที่กรุงเทพนี่นะ หารารับกระสอบปา น, น์ยพิศามาขายเองที่นี่ อ, อก็น่าจะดีนะคือแบกมาจนกระทั่งความทุกข์ทำให้เกิดปัญญา <c oughs> หาเครื่องผ่อนแรงคิดได้อย่างนี้เตียจึงมากราบครณลออกจาก บ, บ้านน้าสาวมาสร้างบ้านไม้สองชั้นชาวเตียงเทศบาลอยู่ในตลาดสวรรค์ขโลกแล้วไปรับกระสอบปาร์ยพิศากกรุงเทพมาขาย กมาพอจะมีฐานะขึ้นมาบ้างก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทั้งตลาดสอนขลกอุก <laughs> พอจะรวยก็ไฟก็มาเอาเสียบเลยเลยในกลางเดคอนคืนหนึ่งของฤดูหนาวทำให้สมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านรวมนั่งกระสอบป่านเป็นมัดๆก็ถูกไฟไหม้จนหมดทางเทศบางก็เดบูกมาบ้านไม้ให้ใหม่อยู่อีกฟ้าของถนนตอนข้ากับที่เดิมที่ถูกไฟไหม้แต่เตีย เตีย้ย น, นเหมือนกับแมงมุมมเลยพยายามเนียายา่ยเริ่มตอนขาขายก็สอบขึ้นใหม่ฐานะก็ดีขึ้นจนมีเงินไปซื้อตึกอาคารพาณิชย์แต่ก็ได้แค่ตึกส่วนที่ดินยังเป็นสิทธิของเทศบาลอยู่ถึงต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินทุกปีต่อมากิจการขายกสอบเริ่มซบมเซาอืออกแล้วเตียและเปลี่ยนหันมา ย, ยึดอาชีพขายหนังสือพิมพ์ขายลอตเตอรี่ และวก็ของเด็กเล่นเรียกว่าถาเตียชีวิตยังอยู่ก็เตียก็ขอสู้ต่อไปอายุสีสิบต้นต้นเตียก็เกิดมีก้อนเนื้อโผล่เป็นรูปกลมๆที่ช่วงขานีเคยพาตับไปหนึ่งครั้งก่อนเนื้อก็หายไปพาไปสองสามปีก็เนื้อก็โผล่ขึ้นมาใหม่คราวนี้รักษาก็ไม่หายเคยเปนหนักถึงขั้นมีเลือดไหลออกมาเป็นถุ ง, ถง ในสุดเตียก็เสียชีวิตขณะอายุห้หนปีหลังจากเตียตายแล้วเราไปเก็บของในห้องของเตียจึงได้พบฉลากยาวระบุไว้ว่าใช้รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่มีใครรู้เลยว่าเตียเป็นเล้มะเร็งเพราะเตียจะบอกว่าเป็นนื้องอกธรรมดานี่หัวใจของเตียไม่ย้ายใไม่ย้ายความเครียดระบาดในครอบครัวลูกจะเป็นห่วงเตียมากจ้ะครับเพราะเตียไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในศาศนาของเตียพระคือคนขี้เกียจทำมาหากิน เวลาเอเลาเตียก็จะบอกว่ายังแข็งแรงอยู่ทำไมไม่ไปทำามากินมาบวชทำไมเสียเวลาทีดีในเมืองไทยยังอุดมสมบูรณ์อีกมากที่เตียคิดอย่างนี้เพราะเตียไม่รู้ว่าพระภิกษุสองนั้นคือใครแม่ของลูกจะมีโรคอย่างหนึ่งคือเฉพาะช่วงฤดูร้อนจะมีการทางประสาทเกิดขึ้นทุกปีอาการคือตาแข็งไม่ยอมหลับนอนท่านก็จะ พ, พูดพูดพูดถึงแต่อดีตที่เคยถูกกดดัน จากคุณย่าและญาติของเตี๋ยแค่ครัคค้น้อยใจเป็นแต่ละครั้งประมาณสีหคืนพอแม่อายุมากขึ้นอาการก็หนักกว่เดิมพูดไปคร้องไห้ไปบางครั้งก็ร้องเพลงยิย้มและหัวเราะตอนมาก็มีอาการชักเกรงหลังจากมีอาการชักครั้งนั้นเวลามีอาการแม่จะพูดถึงอดีต เ, เดิมๆโดยอารมณ์ที่เครียวกราตดไม่ใช่น้อยใจเหมือนครั้งแรกๆ กลางเดือนมีนาคม2543แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอเอกเสด็จดูพบว่ามีเลือดออกในสมองมากต้องผ่าตัดด่วนแต่ไม่าทันได้ผ่าตัดแม่ก็สิ้นใจครรมายุได้58ปีน้องชายคนที่สองลูกตอนเด็กรูปร่างผอมบางเป็นคนเงียบไม่ชอบพูดกับใครการเรียนค่อนข้างดีจนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นม .2 หนึ่งก็ป่วยเพราะว่าจะไปกราบหลวงปู่แวนที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เี ก็เลยพาไปหาหม อ, อ <laughs> ไม่ไ้พาไปวัด <laughs> หมอแนะนำให้พักสมองจะหยุดการเรียนไว้ก่อนพอเทอไม่ค่อยไปเรียนใหม่ <laughs> เพื่อนก็ข้ามชั้นไปแล้ว <laughs> เลยถูกล้ อ, อ ก, ก็ยิงคิดมากตีจะให้เลลาออกจากโรงเรียน <laughs> เขาก็จะช่วยงานเตี๋ยวตี๋ยให้ทำอะไรก็ทำ เหมือนมีเตียเป็นที่พึ่งแต่พอเตียเสียชีวิตน้องสาวก็เล็ ก, กดูกิจการแทนความที่น้องสาวเขเล็กเป็นคนใจร้อนบวกกับความเครียดที่ทํารับภาระดูแลทั้งแม่และพิชาทุมอาการทางประสาททั้งสองคนโอ้เอาเรื่องในเดียวนะจากนั้นเมื่อเห็นพิชาทํางานชา้าไม่ได้ดังใจก็จะบ่นว่าทําให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆน้องชายเลยคิดมากเลาะน้องสาวไม่เข้าใจเขาเหมือนกับเตียรู้สึกเหมือนตัวเองขาดที่พึ่งไม่ได้ยินข่าวหรือว่า <c oughs> โลกจะแตกเขาจริงรู้สึกกลัวมักจะถามลูกเสมอว่าแตกเมื่อไหร่เจ้าเราจะแตกจริงไหมแตกเมื่อไหร่มันก็ยังแตกทุกวันหนึ่งแหละแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกอีกนานไม่แตกแล้วมันไหม้เลยแหละลูกก็จะปลอบใจว่าโลกใบหนึ่งเรายังไม่แตกหรอกจ้าโลกใบเนี้ยเป็นโลกของเรา ปัจจุบันนี้เขาอายุได้42ปีวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรยังตั้งทานยารังกาประสาทเป็นประจำตัวลูกเองหลังจากมีงานทําแล้วก็ได้แต่งงานกับสามีมีลูกชายด้กันสมคนสามีของลูกเป็นคนรักพี่น้องเขายิ่งกว่าอื่นในปี2533ตอนนั้นลูกเป็นคนลูกคนแรกแล้วจู่ๆน้องชายก็ดิ้เสียงสามีเกิดอยากได้บ้านขึ้นมากระตันหันจะมาขอสามีลูกไปทาเรื่องกู้เงินจากธนาคารให้ เงินเลี้ยสามีก็ยังไม่พอที่จะทําเรื่องกู้ได้สามีจึงเอาชื่อของลูกเข้าไปเป็นผู้กู้ร่วมลูกชายสามีก็สัญญาว่าจะเป็นผู้ส่งหนี้เองแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่รับปากลูกและสามีจึงต้องเป็นผู้ชดใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันลูกก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงาม ก, การกระทำของสามีเลยเพราะตัวลูกและสามียังต้องเชาวบ้านเขาอยู่แต่สามีบอกกับลูกว่าแต่งงานแล้วเนี่ยต้องทําตัวให้งโง่ ต้งโง่เป็นยาอวดชลาเกินหน้ายาพี่น้องของเขาอืนี่คือคำสอนของเทพประบุษห้ามแสดงความคิดเห็นหลังจานี้ก็ยังช่วยสงง่งลูกวิชาคนโตเรียนจนจบปริญญาตรีช่วง IMF ไม่มีเงินกระตังดิลหลนหาเงินจ่ายค่าเทอมให้เขาจนได้ทั้งนั้นที่พ่อแม่ของเด็กขเกขายังอยู่สามีลูกเขาใฝันที่จะมีอาชีพอิสระพรั่งคิดว่าจะทําให้ร่ํารวยแล้วไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใคร เขาจึงลาจากงานราชการแล้วก็หันมารับติดตั้งฝ้าเพดานกระจกอลูมิเนียมตามโปร่งงานบริษัทแล้วก็คอโนโดนิเนียมต่างๆแต่กิจการก็ไม่ประสบความสําเร็จดังคาดหวังเพราะว่าเมื่อติดตั้งเขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเบี้ยวดือ้อถูกเบี้ยวมาหลายรายลงแล้วเป็นเงินหลายล้านบาทสามีจึงหาที่เพิ่มในการนําที่ดินและบ้านของตระกูลนี่มีอยู่ไป็นกรประกันไว้กับธนาคาร แล้วกูก้กเงินจํานวนหลายล้านบาทมาทรรําธุรกิจที่ดินจัดสรรเพราะพอจะไปได้ดีก็เกิดภาวะ IMF ไฟแนนซ์สา ม, มีลูกนาทรัพย์สินและที่ดินไปค้าปาาระกันเอาไว้จู่ๆก็ถูกโรคอยู่ในกลุ่มห6 Fin บโปรที่มีปัญหาหนี้เสียธุรกิจจัดสรรที่ดินที่สา ม, มีทําอยู่ก็ไม่สามารถดําเนินการต่อได้เพราะถูกสั่งงดทําธุรกรรม ใ, ใดๆรวมจํานวนหนี้ที่เป็นใ น, น, ในขณะนั้นประมาณ20ล้านบาท แต่หาปนอมนี้ได้ก็ถือเหลืออยู่ห้าล้านบาทก็ขอเป็นกำลังใจให้อดทนสู้ต่อไปให้ลูกมันบอกตัวเองไว้ว่าก่อนจะเช้าหรือพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยนะจ๊ะก่อนที่จะเช้าเนี่ยมันจะมืดซะก่อนแต่ความมืดจะอยู่กับเราไม่นานไม่เกินสิบสองชั่วโมงพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะจ๊ะคนอยู่ตอนที่อยู่ในช่วงมืดนี้ต้องอดทนอืม อยากพ้นทุกต้องสร้างสุขพิมาร <ST> e> คำถามคำใดมจะทำให้เตียตัวคุณญาติหลังจากบ้านมีชีวิตลาบากแม้จะมีญาพี่น้องร่ารวยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยเลย <ST> e> ตรียล้ะกอพเห็นมาอย่างไรจึงมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ที่ดินก็ยังต้องเช่าที่ของเทศบาลอยู่แล้วก็มีบุกรกามร่วมกับแม่อย่างไรคะ ครอบครัวงลูกทำวิบากกรรมใดไว้จึงต้องประสบอุติเหตุถูกไฟไหม้บ้านทรัพย์สินเสียหายจนหมดมีวิบากกรรมใดเริ่มมาคนในตลาดสวรค์โลกจึงถูกไฟไหม้พร้อมกันทั้งตลาด mm hmm. กรรมใดทําให้เตียป่วยเป็นมะเร็งต่ำน้ำเหลืองที่ขาหนีบ mm hmm. เตียตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญสร้างพระพายในมหาธรรมคายเจดีย์ท่านแต่ในรับบุญแล้วนมโมทนาบุญเป็นขอรื้อไมค์คะเพราะลูกสลักชื่อเป็นภาษาไทย mm hmm. เตีย ไม่เข้าใจค่ะกานที่เตียมีทัศนาที่มีดีต่อพระตามีชีวิตเี่ได้รับวิบากกรรมนี้หรือไม่คะตอนนี้เตียมีสถานในพระพุทธศาสนาหรื อ, อยังคะแม่ทำาบุปรกรรมได้ไวจึงมีชีวิตที่ลำบากตั้งแต่เด็กหลังจากแต่งงานแล้วก็ถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางประสาทและทําไมอาการทางประสาทของแม่ต้องเกิดเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นคะ แม่ตายแล้วไปไหนการเียกของแม่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่พบเจ้าต่อไปท่านจะมีสภาพจิตเหมือนหรือหนักกว่านี้คะแม่ชอบตักบาตรที่หน้าบ้านคะ่ะบนนี้จะช่วยลดวิบากกรรมทางประศาสาทได้ไหมคะลูกทำบุญสร้างองค์พระภายในติหมหาทำกายใจดีแม่ได้รับบุญละนมโมธนาบุญเป็นไหมคะและแม่มีข้อความใดฝาบาทถึงลูกไหมคะ น้องชายคนที่สองลูกมีวิบากรรมใดยังมีปัญหาทางสมองเป็นคนคิดมากขิตใจไม่เข้มแข็งต้องกินยาระ ง, งับประสาทเหมือนแม่จะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่สามีต้อมรับผิดชอบจ่ายค่าเทอมส่งให้หลานจนเรียนจบปริญญาตรีอีกทั้งจ่ายค่ารักษา ย, ยาเจ็บป่วยด้วยทั้งทั้งที่ทหลานหลานก็มีพร้อมมีพ่อแม่พร้อมกรรมใดทั้งภาษาไม่มีความทยานอยากที่จะมีฐานะร่ํารวยแต่ก็ไม่ประสบ ค, ความสําเร็จ จะไม่หให้มีหนี้สินมากมายและถูกโกงไปหลายล้านบาทจากงานรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานเขาเคยไปทํำงานกับเพื่อนสนิทอยู่สี่ห้าปีในทำการรายให้กับบริษัทเพื่อจำนวนมากแต่ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละปีในแต่ละปีที่สามีได้รับนั้นเพียงจํานวนน้อยนิดทั้งที่ความจริงจะต้องได้เป็นหลักล้านและยังถูกญาติของเพื่อนพยายามบีบให้ออกจากบริษัทอีกด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะจะต้องแก้ไขวิบากรรมนี้อย่างไร ลูกและสามีมีวิบากกรรมใดถึ้งตั้งมาเป็นหนี้ซื้อบ้านให้น้องชายขอยงสามีทั้งนั้นนี่ตัวลูกสามีก็ยังต้องชาวบ้านเขาอยู่เหตุใดลูกจึงไม่มีบ้านเปนของตัวเองคะกรรมใดทําให้ลูกต้องมาตกอยู่ในสภาพจำยอมเป็นหนี้ร่วมกับสามีจะหากลูกอยู่เป็นสอดลูกจะมีวิบากกรรมเรื่องหนี้สินล้นมันตัวอย่างในปัจจุบันหรือไม่คะนีนม่มันสายเสร็จแล้วลูก <c oughs> อ, อยู่เป็นโสดนะในทางกฎหมายสามีและภรรยา ต, ต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินด้วยกันแต่ในทางกฎแห่งกรรมลูกจะต้องรับวิบากกรรมไปด้วยไหมคะเพราะลูกไม่ได้เป็นผู้ก่อเรามีชื่อในบัญชีหนี้ในฐานะเป็นภรรยาเท่านั้นหากเราใช้หนี้ไม่หมดลูกและสามีจะได้รับวิบากกรรมแตกต่างกันอย่างไรคะลูกและสามีมีกำลังบุญพอที่จะมีเงินมาใช้หนี้ได้หมดหรือไม่ แล้วเมื่อไรสามีจะริ่มรวยคะตอนสามีมีเงินเยอะๆทำอย่งไรพระเจ้าต่อไปลูกจะไม่ต้องมารับวิบากกรรมอย่างนี้อีกคะแต่ลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบุรมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้หลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมาเหนืทีแล้วก็นำมาไล่ฟังปัญยาปรมารากันจ้า หาการวละทีนี่หาไม่ได้8ปดร้อแปดสบแปดคลังแล้วเตียถูกคุณย่าไล่ออกจากบ้านมีชีวิตที่ลำบากแม้จะมีญาติร่ำรวยแต่ไม่ช่วยเหลือเลยเพราะในอดีตขาดบุญสงเคราะห์ญาติจึงไม่มีญาติสงเคราะห์เห็นไหมและหากโมโหก็มักจะไล่ลูกหลานออกจากบ้านไปเลยในอดีตเป็นอย่างนี้ในวิบากนี้ยิ่งถูกคุณย่าไล่จากบ้านแล้วไม่มีญาติคนใดช่วยเหลือจ้ะ เตียมีบ้านเป็นของตนเองแต่ที่ดินั้งเช่าเขาอยู่เพราะในอดีตเวลาทําทานมักจะร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อืน่นแล้วทาเองบ้างนิดหน่อยเท่านั้นบุญยังส่งผลได้แคนี้จ้ะตามกำลังบุญคือพอมีบ้านแต่ที่ต้องเช่ามีป ร, ประกรรมร่วมกับแม่คือในอดีตเตียกับแม่เป็นสามีภรรยากันแต่ทำทานร่วมกันมาเพียงแค่นี้บุญยังส่งผลแค่นี้จ้ะ ทั้งในชาตินั้นพ่อได้ซื้อยาดองเหล้ามารักษาโรคของแม่จนทำให้แม่ติดยาดองเหล้ามากๆและพ่อก็สนับสนุนแม่ให้ดื่มเหล้ายาดองเหล้าตลอดจช่คร อ, อบครัวโกบ้านถูกไฟไหม้จนทรัพย์สินเสียหายหมดเพราะในดีที่เคยจุดไฟไล่ที่ชาวบ้านที่แอบมาอาศัยที่ของตนอยู่จนทำ้ทรัพย์สินบ้านชองเขาเสียหายวิบากกรรมนี้มาส่งผลใช่ บางทีไล่ก็ไม่ไปบอกให้ไปก็ไม่ไปเลยตั้งไรกฎหมายก็แล้วรก็แล้ ว, ลวไม่ไปก็เลยตั้งเอาไฟ oh. นี่แต่วิบากกรรมไม่เวณน oh. คนในตลาดสมัมการโลกถุดไฟไม่หมดตลาดเพราะกรรมดาตที่เคยจุดไฟเผาบ้านคนอื่นและพลอ ย, ยินดีกับการที่ทหารบ้านเมืองของตนไปเผาบ้านเมืองคนอื่นกรรมที่คล้ายๆกันนี้เนะี่ย มารวมส่งผลจ้ะมีการมคล้ายๆอย่างนี้มารวมกันไปอยู่กันที่นั่นพอถึงเวลาก็มีระเบิดเวลาตุ้มเหมือนกับเซตโปรแกรมไวยเงินเตียป่วยเป็นมะเร็งตามน้ําเหลืองที่ขานี่เพราะการมาปฏิบาติกาตสะสมอาหารและ่าสัตว์ไหวเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันกับกรรมการยัดไส้ของที่จะขายด้วยของที่มีราคาน้อยเดี๋ยวของดีไว้ข้างบนของไม่ดีไว้ข้างล่าง วิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้าเตียตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมัทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิมัทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทั้งบุญที่ตุิไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้าการที่เตียมีทัศนะไม่ถูกต้องกับพระตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับวิบากเพราะบุญยังส่งผลก่อนจ้าแต่หากรับวิบากค ร, รั้นี้ก็จะไปเกิดนอกบุญญเขตนะครับครูวิชาทิติ ในตระกูลต่ำต้องลำบากกว่าจะได้ทรัพย์ก็เหนื่อยมากตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องบุญกับพระดีขึ้นโดยบุญที่ลูกที่์ไปให้จ้ะแม่มีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กละในดีตำทานมาไม่มากแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องบุญและโลกนี้โลกหน้าโดยจ้ะเหมือนเตีย้ยแล้วหลังจากแต่งงานแล้วกระถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางภรษาพระ กําดืมสุรายาดองในชาติพอ่อซื้อยาดองเลามารักษาโรคของแม่มาส่งผลนะให้มีอาการนำรา้ำประสาทและก็ไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติด้วยจึงทําให้ญาติรังเกียจและกดดันจ้ะอาการนำรา้ำประสาทก็เฉพาะในฤดูร้อนล้อ ก, กร้อนอาการก็เลยกลําเริบมากขึ้นกว่าปกติ <c oughs> อุณภูมิ <c oughs> ซึ่งมีอาการอยู่แล้วตามวิบากกรรมแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภู ม, มิมเทวาชั้นดีอยู่หมู่บ้านภุ ม, มิเทวาเดียวกพ่อ แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพราะแม่มีบุญมากกว่าเพราะทำบุญมากกว่าพ่อนี่มันคือเห็นไหมใครทำกันไม่ใช่เป็นสามีภรรยากันในเมืองมนุษย์พว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะแต่อย่างนี้จะปิ้งเงินหรือเปล่าไม่แน่เพราะว่ามีผีสาวสวยๆเยอะเรื่อที่เรียกว่าพุทธเทวาระดับนั่นอืม เรียกภูมิเทวะรู้สึกมันขาาัทตารีไม่เนี่ยแต่การทางกายลเอียดก็ยังมีมีอาการทางประสาทอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นภูมิเทวาเธอออกอาการใครจะเป็นแลเหลีวภูมิเทวะด้วยกันออกอาการอย่างนี้พ <laughs> ิบาการรากรรโซลากำบังลงมาแล้วแหละดังนั้นพบชาติต่อไปก็จะมีอาการทางประสาทน้อยกว่าในชาตินี้จ้ะ ได้รับบุญทีู่ทิพย์ไปแล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านนั้นนุโมทนาบุญเป็นจ้ะตอนนี้ท่านก็ยิ้มไปยิ้มมาอย่างมีความสุขเพราะได้รับบุญที่ลูทิศไปให้ทุกบุญเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมทาบุญอีกนี่นะท่านก็จะยิ้มอีกยิ้มไปยิ้มมาหันซ้ายยิ้มซ้ายหันขวายิ้มขวานี่ยิ้มไปยิ้มมายิ้มทางซ้ายยิ้มทางขวา ก็มาหลอเตรียมมันสวรรค์กัน <c oughs> น้องชายคนที่สอมีปัญหาทางสมองคิดมากจิตใจไม่เข้มแข็งต้งกินยาระงับประสาทเหมือนแม่เพราะเป็นจริตอัธยาศัยที่ติดมาข้ามชาติโดยในชาตินั้นก็เป็นคนคิดมากจนเครียดมาเครียดแล้วก็ไปหาทางออกของชีวิตการไปดื่มสุราพิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแต่เจ้าของโรงงานผลิตสุรานี่สิจะได้รับพิบากรวมทั้งหมดเลย ผู้ผลิตผู้จําหน่ายนั่นแหละจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุบุญในช่วงอาการปกติแล้วติดตามจจตพิบัติบาป ก, กรรมนี้จะสามีต้องมารับผิดชอบส่งหลาน เ, าเรียนจนจบปริญญาตรีอีกทั้งจา่ายค่ายารักษาโรคยามเจ็บป่วยให้อีกหลังตั้งทีหลานก็มีพ่อแม่ตัวเองที่สามารถดูแลลูกได้เพราะในอดีตสามีก็เคยชุเหลือเกื้อกูลหลานคนนี้จะมีความเป็นดูหลานคนนี้เป็นวิเศษไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมา เราคิดเสียว่าโลกได้สงเคราะห์ญาติในการสนับสนุนให้หลามีการศึกษาจะได้เป็นบารมีขอลูกที่จะมีคนมาสนับสนุนลูกให้เรียนบ้างและได้บุญด้านอย่ารักษาโลกก็จะทําให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงาสามีอยากร่ํารวยแต่ไม่สมหวังจะไม่เหตุให้มีหนี้สินมากมายแล้วก็ถูกโกงไปหลายล้านบาทจาก ง, งานรับเหมาติดตั้งฟ้าบเพดานเพราะแน่ดีสามีมีความตระหนี่ไม่ค่อยได้ทาทาน และใครมาชวนทาบุญก็รับปากแต่มักจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากการรับปากก็จะทำทานกับผู้อื่นไว้รวมทั้งเคยเบี้ยวนี้วิบากกรรมนังกล่าวนะมารวมส่งผลจ้ะเนี่ยเป็นหนี้เขาไม่จ่ายก็เนี่ยเดี๋ยวจเจ อ, อมังเบี้ยวนี่แล้วก็ยิ่งให้เหตุผลว่าเอามาทาบุญนี่นะต้องระวังนะเจะ๊เอาไปใช้ก็ก่อนเธอ ทำบุญหมดโอ้อรพระไปกู้แบงดีงแบงก็มี <c oughs> ก็มีไปกู้อย่างนั้นและเรื่องจะหมดปัญหาเพราะนั้นนี่ถ้ากู้กันนี้มันเป็นเหตุให้ขัดใจกันทางทดีๆเนี่ยให้ก็ ไ, ไเปเลยเช่นคำว่าขวกู้หม <c oughs> ื่นกเอาไปร้อ <c> ย <oughs> บอกให้ซื้อเลี้ยงไปใจจะได้สบายบอกว่าถ้าฉันให้เธอกู้นี่นะฉันทุกหลายหลายครั้งนี่นะทุกวันเลยโกรธเธอทุกวันเลยแล้วก็ทุกใจทุกวันแต่ถ้าฉันไม่ให้เธอกู้นี่นะฉันทุกใจวันเดียวแล้วเธอโกรธฉันวันเดียวที่ฉันไม่ให้เธอกู้เราจะเลือกเอาไงดีนี่นะ แต่ไม่ใชใ่แปลว่าไม่ห้สงเคราะห์กันนะสงเคราะห์ไ <c oughs> งรอยสองรอแล้วก็นแนะนำเข้ไปทำบุญไปรอยหนึ่ง عة. ไปทำบุญสักิบาทสิาบาิบาทไปซื้อโอเลีเ้ยงไปเ <c oughs> ดี๋ยวนี้แก้วเจาไห <c oughs> แ่แล้วล่ะบาทแล้วกาแฟโอเคเหละ <c oughs> ของดรเคนี่เขาไม่ได้มา <c oughs> ให้ค่าโฆษณาเพราะเขาขายดีอยู่แล้วผ <c oughs> ลิตไม่ทันเลย แต่เห็นว่าถ้าหุ่นโอเคตั้งโอเคเนี่ยล <c oughs> ึกตะเคงเนี่ยแม่เรื่องนี่เนี่ยนุ้ยก็จะไปเป็นนี่กันต่อไปแล้วก็จะผูกเวงกันไปเรื่อยๆก็จะมีการกระทบกระทั่งนันกระทบกระทั่งก็หลุดออกไปพอหลุดออกไปคนที่โดนอัดคือนี่นี่ออกจากฟัดเพ ร, ะพ ร, ะพระาะว่อวะมัดนี้ไห่นี้ามาอะไรนี่ได้ฟรีๆทุกทีเลย <c oughs> พูสนุกไม่ได้คิดอะไรแล้ว<ล>จะไปคิดดีแล้วกันสามีเคยไปทํางานให้กับเพื่อนสนิทอยู่หลายปีแต่ทำกำไรบริษัทเพื่อนมากแต่ได้ขาค่ า, ามิชชั่นน้อยกว่าความเป็นจริงและยังถูกยา ก, กับเพื่อนบีให้ออกจากบริษัทอีกเพราะสามีเคยทำเข้ามาก่อแ น, นด่ดีโดยเคยทำธุรกิจการค้าโดยการเอาเปรียบพนักงานเช่นกดค่าแรงบ้างบางทีก็บียวค่าแรงโดยจากค่าแรงต่ําบ้างเป็นต้นมารวมส่งผล นี่ไม่ใชเลยโดนมั่งปัจจุบันเป็นภาพในอดีตชาติของสามีที่ไรทำเขาว่าวอย่างนี้จะแก้ไขจะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากมกและต่อเ น, นื่องบทนี้ก็จะได้มาเชื่อมสายสมบัติมาติดกับตัวสอดสบความสําเร็จในชีวิต ธ, ธุรกิจการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหามันมีทางออกทําทานไปทําไปเรื่อยๆไม่มีปัจจัยจะทําทรักษาศีล น, นั่งสมาธิจะเริ่มภาวนาะ หรือใช้แรงกายไปช่วยทำบุญแล้วก็นึกถึงบุญทุกวันเลยที่เราทำโดยไม่ได้ใช้ปัจจัยเนี่ยให้บุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติของเรานี่สีเลนโพคสัมปทาสีเป็นบอกเกิดแห่งทรัพย์ทำงี้สิจาทำงี้ถ้ากู้ไปกู้แบงค์ทำงี้แรกนี้มันก็จะไปเชื่อมสายสมบัติเชื่อมเชื่อมนเข้านะเข้านเข้ า, เ, ขาเดี๋ยวมันก็จะมีช่องมีทางให้ เกิดแสงสว่างในชีวิตขึ้นเดี๋ยวจับตัวจับนี่อะไรมันก็จะรวยนี่สำคัญนะจ๊ะนี่อย่างเห็นไหมเอาที่ดินมาถวายอย่างงี้ตั้งเยอะหลายร้อยไร่อย่างนงี้เป็นการส่วนตัวจะไปทำอะไรก็ได้คล้ายก็ได้ประกาศท่ามกลางนักเรียนโรงาบาลฝันมีเยะทโลก ออืืกาแฟนี่ผิดไม่ทันเลยอยากจะเป็นทศกัณหนึ่งมียี่สิบมือนะี่สิบหน้าสิบหัวสมองนึงออืนี่มันอืรวยแล้วรวยแล้วลเฝ้าจะรวยนรวยแล้วสามีทํามาเป็นนี่ซื้อบ้านให้น้องชายสามีทั้งๆที่ตัวลูกและสามียังเช่าบ้านอยู่มันมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะอัะนนี่น่าคิดนะจ๊ะ แน่ดีเคยติดหนี้น้องชายมานี่นเห็นไหมก็ต้องมาใช้โดยธรรชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันนี่สามีในฐานะเป็นพี่ก็ได้เคยยึดมรดกของน้องชายมาเป็นของตอนเองภายหลังจะพ่อแม่เสียชีวิตแล้วแต่น้ำประการส่งผลก็มีความรู้สึกยินยอมที่ใช้หนี้น้องชายด้วยความเต็มใจจะ้ะ<อ>กรรมอันดานให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นครับให้มีทางออกแห่งทรัพย์ที่จะไปคืนเขาเนี่ย คิดอย่างนี้ก็สบายก็เบ่งหน่อยกรรมเก่าของเรากใหม่ของเขากมำจะไปเบี้ยวนี่ยดังกล่าวกับกําลังทานปรามีในดีไม่เต็มที่จ้ะรูดต้อมาอยู่ในสภาวะจํายอมเป็นนี้ร่วมกับสามีเพราะอ่าอันนี้น่าศึกษาอยู่ในภาวะจํายอมที่เป็นนี้ร่วมกับสามีเนี่ยเพราะในดีก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันมีความตระหนี่ด้วยกันทั้งคู่ได้มาจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากรับปากที่จะทําบุญ ใครว่าสุขพิมานนี่และเคยร่วมเยี่ยวนี่ผู้อื่นโดยการสนับสนุนสามีนี่เอาเลยพี่อะไรพี่ดีเะพี่เลยรนี่ว <c oughs> ิบากกรรมนี่มาส่งผลใช่ <c oughs> แม้หากลูกเป็นโสดก็ตาม <c oughs> เมื่อไม่วิบากกรรมเยี่ยวนี่ <c oughs> ก็จะมีเหตุ <c oughs> ให้ตั้งเป็นนี่อย่างนี้เหมือนกันใช่ <c oughs> มันจะมีเหตุ ในทางกฎหมายสามีภรรยาต้งเริ่มรับผิดชอบหนี้สินด้วยกันแต่ในทางกฎแห่งกรรมหากลูกและสามีใช้หนี้ไม่หมดลูกและสามีจะได้รับวิบากไม่แตกต่างกันรับเป็นกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติทั้งกล่าว oh. นี่มันเห็นไหม oh. มันมันเนื่องกันมา oh. ดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะจ๊ะให้รักและสามัคคีกันไว้รักกันไว้เถิด อั้ทั้งสองอย่ในบุญคือนึกถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้บ่อยๆกับใช้กำลังใจและสติปัญญาค่อยๆแก้ไขปัญหาไปสักวันปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะอย่าทะเลาะ ก, กันนะจ๊ะอย่าทะเลาะ ก, กันขอเพียงอย่างเดียวคนหนึ่งขออย่ายอมแพ้ให้สั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆ ก็จะเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปนั้นมาหล่อเทียนสวรรค์กนนันนะลุกเนาะมาหล่อเทียนสวรรค์มารับบุญทุกๆบุญมาถวายพระหัตถน้ำฝนผราเจ็ตัตวแล้วกองทุนแสงสว่างแสงสว่างของชีวิตก็จะได้บังเกิดขึ้นบุญนี้จะได้ไปตัดล่อนวิบากกรรมต่างๆให้มันหนักเป็นเบาเบกเป็นหายแล้วก็จะไปเชื่อมสายสมบัติใจมีปัญหาต้องสร้างเร่งสร้างบุญ ลุยมันก็ไปเลยลุยก็ไปเรื่อยเลยตัวลูกสามีและลูกชายของสใครสร้างประดมีกมุขนามาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอจ้ะชานี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างประดมีเต็มที่นีนทุกปุ่นและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมุนพิเศษเบลล์รามพิสัตย์ได้พลดกันเลยจ้าีก็เป็นเรื่องราวงคสั ด, ดี้สั้นๆ ส, ส, ส, สาหรับ พืนนี้